การตั้งตนไว้ดีศีสวัสด์กล่าวให้ชัดเป็นคนไม่ทุศีลหมดตรณีบริจาคเป็นอาจินไม่สูญสิ้นศรัทธาพามงคลมงคลที่หกอตตะสมาปนิธิจความตั้งตนไว้ชอบ ความตั้งตนไว้ชอบเป็นปัจจัยที่จะก่อให้เกิดมงคลความเจริญที่สำคัญอีกประการหนึ่งคําว่าตนหมายถึงอัตภาพทั้งสิ้นพร้อมทั้งจิตอันเป็นผู้บังคับการอัตภาพมีหน้าที่เป็นผู้รับอารมณ์ทางประสาททั้งห้าแล้วส่งความรู้สึกเข้าไปถึงจิตส่วนจิตมีหน้าที่เป็นผู้นึกคิดอารมณนน์นั้นๆแล้ววินิจฉัยว่านั่นเป็นสุขนั่นเป็นทุกข์ แล้วนำอัตภาพให้รู้สึกตามด้วยนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งจิตได้อาศัยเจตสิก ค, คืออารมณ์อันปรุงจิตนำให้น้อมนึกคิดไปในอารมณ์ต่างๆแล้วก็บ่งการให้อวัยวะนั้นๆทำกิริยาวาจาต่างๆไปตามความประสงค์ของตนอัตภาพเป็นประดุดหุนจิตเป็นประดุดคนเชิดชักสายใหให้กระดิกไปอย่างนั้น จิตจึงเป็นสิ่งสําคัญความตั้งตนก็คือความตั้งจิตถ้าจิตดีบริบูรณ์ด้วยคุณธรรมจะทําหรือจะพูดก็ล้วนเป็นสุจริตนาบุคคลให้ประสบสุขถ้าจิตร้ายเพราะปล่อยให้เกิดกิเลสเข้าครอบงำจะทําและพูดก็เป็นทุจริตนําให้ถึงทุกข์ฉะนั้นบุคคลผู้ปรารถนาความสุขความจเจริญให้บังเกิดแก่ตน จึงควรตั้งตนคือตั้งจิตไว้ในทางที่ชอบทำอย่างไรจึงจะชื่อว่าตั้งตนไวชอบพึงพิจารณาดูตนของตนเองเมื่อเห็นว่าคุณธรรมอันใด ย, ยังบกพร่องก็พึงอบรมให้บริบูรณ์ขึ้นเมื่อเห็นว่าบาปธรรมอันใด ย, ยังมีอยู่ก็พึงละให้หมดไปดังนี้ได้ชื่อว่าตั้งตนไว้ชอบประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่งประพฤตินตนให้สมบูรณ์แก่ภูมิชั้นของตนซึ่งเรียกว่าอัตตัญญุตาความเป็นผู้รู้จักตนว่าเราโดยชาติสกุลยศศักสมบัติบริวารความรู้และคุณธรรมเพียงเท่านี้เท่านี้แล้วประพฤตินตนให้สมควรแก่ที่เป็นอยู่อย่างไรดังนี้ชื่อว่าตั้งตนไว้ชอบ สรุปได้ก็คือพึงอบรมคุณธรรมให้มีบริบูรณ์ในตนและรู้จักประมาณตนในที่ทุกสถานไม่มีมานะอหังการพระเหตุชาติสกุลยศศักสมบัติบริวารความรู้และคุณธรรมอันมีอยู่ในตนบุคคลผู้ตั้งตนไว้ชอบแม้แต่เดิมจะมีพื้นเพอันด้มาก่อนก็สามารถจะยกขึ้นสู่ฐานะอันสูงได้เมื่อตนยังไม่มีศีล ก็ให้ตั้งตนอยู่ในศีลเมื่อตนยังไม่มีศรัทธาก็ให้ตั้งตนอยู่ในศรัทธาเมื่อตอนยังมีความตระนีก็ตั้งตนอยู่ในการบริจาคด้วยเหตุแห่งการตั้งตนไว้ชอบดังกล่าวองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสแสดงไว้ในมงค ล, ลสูตรอีกประการหนึ่งฉะนั้นบุคคลผู้ปรารถนาความเป็นมงคลให้เกิดขึ้นแก่ตน พึงควรปฏิบัติตามในนี้เป็นลำดับสิ่งเดียวกันนั่นแหละดีสำหรับคนหนึ่งแต่เสียสำหรับอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งใดๆมิใช่ว่าจะดีไปทั้งหมดและมิใช่ว่าจะเสียไปทั้งหมดการจะเป็นพะหูสูตรนั้นไม่ยากคือฟังมากหลายหนจนคุ้นหู ฟังธรรมะทุกวันจากเจ้ากูจะได้รู้หลักธรรมย้ำมงคลมงคลที่เจ็ดพหุสัจจะการตั้งใจฟังโดยมากพหุสัจแปลว่าความสดับมากโดยอัถะได้แก่การศึกษา การศึกษานั้นย่อมเป็นของสำคัญเพราะเป็นเหตุส่งเสริมบุคคลให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้นคนเราแม้จะมีชาวไว้พริ๊บมาแต่กำเนิดสักเพียงไรก็ดีแต่ถ้าขาดการศึกษาชาวไว้พริ๊บอันมีอยู่ก็เป็นหมันไม่ทําประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นการศึกษาจึงเป็นของนิยมของคนทั่วไปบุคคลที่ปรากฏว่า เป็นผู้ซึ่งมีสติปัญญาอันเฉลียวฉลาดเฉียบแหลมจะเป็นสมัยใดๆก็ตามล้วนต้องเป็นผู้ในวงการแห่งการศึกษาทั้งนั้นจะนอกไปจากนี้หาได้ไม่แต่ถึงอย่างนั้นการศึกษาซึ่งจะสำเร็จเป็นความเจริญแก่บุคคลยังต้องอาศัยบุคคลรู้จักใช้ให้สำเร็จประโยชน์และปฏิบัติตนสมควรแก่ความรู้ พระพุทธภาสิทธิ์มีอยู่กล่าวแต่ใจความได้ว่าบุคคลในโลกมีอยู่สี่จาพวกพวกที่หนึ่งศึกษาน้อยทั้งไม่อย่างทราบเหตุผลเป็นผู้ปฏิบัติที่ไม่สมควรพวกที่สองศึกษาน้อยแต่อย่างทราบเหตุผลเป็นผู้ปฏิบัติสมควรพวกที่สามศึกษามากแต่ไม่อย่างทราบเหตุผลเป็นผู้ปฏิบัติไม่สมควร พวกที่4ศึกษามากทั้งยังอย่างทราบเหตุผลเป็นผู้ปฏิบัติสมควรและสงติพวกที่หนึ่งพวกที่ 3, สทส่งสารเสริญพวกที่สองและพวกที่สตามในแห่งพุทธภาษิตนี้เป็นอันสำเร็จสนิฐานได้ว่าบุคคลแม้ประกอบด้วยการศึกษาแต่ไม่รู้จักใช้ความรู้ให้สำเร็จประโยชน์และปฏิบัติตนไม่สมควร ความศึกษาก็ไร้ผลต่อรู้จักใช้ในการปฏิบัติตนดีจึงจะสามารถส่งเสริมบุคคลให้ดียิ่งขึ้นไปพหุสัจ ท, ที่จัดเป็นมงคล น, นั้นก็เพราะเป็นเหตุแห่งความสารเสริญและเป็นเหตุให้ละความคราวก้าวขึ้นสู่ความฉลาดด้วยเหตุดังกล่าวแล้วนั้นสมเด็จพระบรมศะดด้วยเหตุดังกล่าวแล้วนั้นสมเด็จพระบรมโล ก, กนาต จึงทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกที่เป็นผู้สดับย่อมละอกุศลบำเพ็ญกุศลละกรรมอันมีโทษบำเพ็ญกรรมอันปราศจากโทษย่อมบริหารตนให้บริสุทธิ์เมื่อบุคคลผู้เจริญด้วยการศึกษาถือปฏิบัติอบรมตนให้เป็นคนดีในไตรภพกระทั่งเป็นคนบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงแล้ว สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเป็นมงคลยอดชีวิตเพราะเป็นเหตุให้บุคคลนั้นเจริญด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติชื่อว่าดำเนินตนอยู่ในทางแห่งความเจริญจัดว่าเป็นมงคลแก่ตนประการหนึ่งปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกคนมีปัญญาประเสริฐกว่าคนโง่ที่มียศมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาปราดกล่าวว่าประเสริฐสุด ศิลปศาสตร์ทุกอย่างควรเรียนรู้จำจากครูสั่งสมให้มากลายศึกษาไว้เลี้ยงตัวกันอดตายการมุ่งหมายใฝ่รู้ก่อมงคลมงคลที่แปดสิปัญจะการศึกษาศิลปะวิทยา ศิลปะได้แก่หัตถโกศลคือความฉลาดในหัตถกรรมความศึกษาอันเป็นเหตุเกิดวิทยาความรู้ความฉลาดอันไม่เกี่ยวกับวิชาช่างเรียกว่าพาหุสัจจะส่วนความศึกษาอันเป็นส่วนวิชาช่างเรียกว่าศิลปะในสิบปรถาแห่งธรรมนติได้รวมวิชา18อย่างว่าเป็นศิลปะอันได้แก่ 1. วิชาฟังเสียงคนสัตว์รู้ว่าคนดีหรือร้าย 2. วิชาเข้าใจในระเบียบ 3. วิชาคำนวณ 4. วิชาการช่งาง 5. วิชาแบบแผนราชการ 6. วิชาการค้า 7. วิชาระบำแปวิชากายบริหาร 9. วิชาสำแดงแผลงธนู0วิชารู้เลขกะโลบาย 11. วิชาโบราณคดี 12. วิชาการแพทย์ 13. วิชากราบํานาน 14. วิชาดาราศาสตร์ 15. วิชาพิชัยสงคราม 16. วิชาพูด 17. วิชาร่ายมน สิบแปดวิชาวายกรศิลปะนี้ทางพระพุทธศาสนาจัดเป็นนาถะกรณธรรมประการหนึ่งคือความเป็นผู้ขยันในกิจที่จะพึงกระทายกตัวอย่างเช่นพระอานน์เป็นผู้ที่สามารถรู้พระบรมพุทธานที่ปายตัดจีวอนตามแบบคันนาในแคว้นมคตถวาย ได้ทรงรับสารเสริญว่าเป็นผู้ฉลาดรู้เนื้อความที่กล่าวโดยย่อให้พิสดารได้ในฝ่ายของโลกศิลปะยิ่งเป็นของสำคัญเพราะความเจริญของโลกเนื่องอยู่ด้วยความเจริญของศิลปะเป็นศิลปะยิ่งเจริญมากขึ้นเพียงใดโลกก็เจริญขึ้นเพียงนั้นพึงเห็นในสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นหลากหลายพ้นที่จะพรรณน า, นา ทั้งอย่างเดาไม่ได้ว่าภายหน้าจะมีหรือจะเป็นอย่างไรอีกต่อไปเหล่านี้ล้วนเป็นพยานแห่งความเจริญของศิลปะศิลปะนั้นไม่ได้นามาเฉพาะความเจริญอย่างเดียวย่อมนามาทั้งความพินาจ ด, ด้วยเพราะความเจริญแห่งศิลปะเป็นเหตุให้มนุษย์ประดิษฐ์คิดทำเครื่องมือเครื่องใช้ในการเบียดเบียนกันและการให้วิจิตพิสดารยิ่งขึ้น พึงเห็นในคราวมหาสงครามชีวิตมนุษย์จึงพินาศไปนับไม่ถ้วนด้วยอำนาจแห่งศิลปะเพราะฉะนั้นตามมติแห่งพุทธศาสนาจึงจัดแต่เฉพาะศิลปะที่ประสาความเบียดเบียนต่อชีวิตผู้อื่นเท่านั้นว่าเป็นอุดมมงคลเพราะเป็นเหตุแห่งความเจริญอันศิลปะนี้มีอยู่ในบุคคลใด บุคคล น, นั้นก็รู้จักนาไปใช้แต่ในทางที่ควรก็ล้วนเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญด้วยเหตุนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าผู้มีศิลปะชื่อว่าเป็นผู้มีมงคลความเจริญอีกประการหนึ่งขึ้นชื่อว่าศิลปวิทยาดีทั้งนั้นคนมีปัญญาเมื่อถึงคราวตกทุกข์ก็ยังหาสุขได้ มีระเบียบแบบแผนเป็นแกนหลักไว้บังคับกิริยาอัจาสายัยเป็นคนดีต้องดีซึ่งวินยัยคอยคุ้มภัยให้เราเกิดมงคลมงคลที่เก้าวินโยจะสุสิคิโตการมีวินัยที่ศึกษาดี วินัยกล่าวโดยเฉพาะนั้นได้แก่ขนบธรรมเนียมที่ตั้งไว้สําหรับคณะบุคคลผู้อยู่ในคณะใดก็ต้องรักษาวินัยแห่งคณะนั้นให้เคร่งครัดอทิบรรพชิตต้องรักษาวินัยแห่งบรรพชิตทหารต้องรักษาวินัยแห่งทหารบรรพชิตและทหารไม่รู้จักรักษาวินัยก็ใช้ไม่ได้ วินัยที่ศึกษาดีแล้วย่อมทําให้เป็นระเบียบเรียบร้อยดูงามประดุดดอกไม้ที่ช่างร้อยให้เป็นพวงหรือจัดวางไว้บนพานย่อมเป็นของดูงามตาเพราะระเบียบนั่นเองแต่ถ้าไม่ได้จัดปล่อยให้คละกันถึงบางดอกจะมีสีสันอนาชมมีกลิ่นอันหอมก็ยังไม่น่าดูเพราะ คระกันอยู่นี้ฉันใดบุคคลผู้อยู่เป็นหมู่เป็นคณะเดียวกันก็ฉันนั้นถ้ามีขนบธรรมเนียมและกิริยามารยาทผิดแพลกไปจากหมูคณะก็ไม่น่าดูน่าชมต่อรักษาให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ยิ่งหย่อนสมควรกันจึงน่าดูน่าชมเป็นที่ตั้งแห่งความสรรเสริญเพราะฉะนั้นวินัยแห่งคณะ จึงเป็นของที่จำเป็นต้องศึกษาเพราะเป็นเหตุนำความเจริญมาแก่ตนและแก่หมู่คณะเป็นอเนกประการกล่าวโดยทั่วไปได้แก่ความประพฤติอันไม่ผิดไปจากหลักแห่งธรรมที่เรียกว่าธรรมจริยาตลอดจนความมีกิริยาวาจาเป็นสุภาพชนรวมแล้วว่าสุจริตธรรมทั้งมวลล้วนอยู่ในวงแห่งวินัยแห่งนั้น ขเรือหัดคือชาวบ้านผู้กรองเย้าเรือนจำจะต้องมีที่พึ่งป้องกันเวรภายโทษทุกขในปัจจุบันและอนาคตจึงต้องมีวินัยเอาไว้ควบคุมชีวิตจิตใจให้ดำเนินไปในทางที่ดีทางที่ชอบเรียกว่าอาคาริยา ว, วินยัยจำแนกออกเป็นสีคือหนึ่งไตรสารณาคมเป็นวินัยเบื้องต้นสำหรับควบคุมจิตใจให้อยู่ในระเบียบอันดีงาม ยึดเอาคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งและน้อมนำมาอบรมตน 2. สศีลศีนห้าหรือเบญจศีนนี้เป็นข้อห้ามเบื้องต้นของชาวบ้านที่จะต้องระมัดระวังงดเว้นตลอดการและยังเป็นวินัยพื้นฐานของวินัยทุกประเภท 3. สศีล8ปหรืออุโบสถศีลเป็นวินัยที่ควบคุมจิตใจ ให้ออกห่างไกลจากการกิเลสหรืออารมณ์ต่างๆเช่นรักโลภโกรธหลงเป็นอุบายอบรมจิตใจให้สงบผ่องใสขึ้นไป 4. กุศลกรรมบดกรรมดีที่เป็นบุญเป็นกุศลและเป็นทางทำให้เกิดความสุขทั้งในภพนี้และภพหน้าจำแนกออกเป็นกายกรรมสามวจีกรรมสี่และมโนกรรมสาม บุคคลผู้ศึกษาวินัยดีแล้วย่อมมีกายวาจาใจล้วนเป็นสุจริตจะทําจะพูดจะคิดก็ล้วนแต่ปราศจากความเบียดเบียนผู้อื่นทั้งมีกิริยาวาจาเป็นสุภาพชนพ้นจากข้อที่จะพึงคอรหาร่วมกันจะลงพระพุทธศาสนาเป็นคุณประโยชน์แก่ผู้อื่นมีชีวิตที่จเจริญไปด้วยคุ ณ, ณธรรมก้าวหน้าไปตามลําดับปราศจากโทษ หรือทุกในภพนี้และภพหน้าเพราะห่างจากสิ่งที่เป็นบาปเวรภัยเพราะฉะนั้นวินัยที่ศึกษาดีแล้วจึงเป็นเหตุอันนามาซึ่งมงคลความเจริญอีกประการหนึ่งถ้าไม่มีพุทธิปัญญาและมิได้ศึกษาระเบียบวินยัยเขาจะดำเนินชีวิตเหมือนดั่งกระเบือบอดในกลางป่า แม้หวานอื่นมีเดินหลายหมื่นแสนไม่เหมือนแม้นคําขานที่หวานหอมรสคําหวานหวานหวนชวนประนอมสามารถน้อมจิตร้ายให้กลายดีมงคลที่สิบสุภาสิตาจะยาวาจาวาจาที่เป็นสุภาษิต คำว่าวาจาหมายถึงคำพูดที่ออกเสียงที่บุคคลอื่นเข้าใจเนื้อความวาจานั้นย่อมเป็นของกลางจะดีหรือจะชั่วก็แล้วแต่เจตนาของผู้พูดมุ่งจะให้เป็นไปวาจาชั่วยกไว้เสียไม่ต้องกล่าวถึงส่วนวาจาที่ดีจัดเป็นสุภาษิตต้องประกอบไปได้วยองค์อันเป็นคุณและปราศจากองค์อันเป็นโทษจึงจะไม่เป็นทุพภาษิต ไม่มีโทษที่บัณฑิตทั้งหลายจะพึงติเตียนลักษณะแห่งคำสุภาษิตสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้หสถานคือวาจาที่บุคคลพูดถูกกาลหนึ่งวาจาที่บุคคลพูดจริงหนึ่งวาจาที่บุคคลพูดอ่อนหวานหนึ่งวาจาที่บุคคลพูดประกอบด้วยประโยชน์หนึ่งวาจาที่บุคคลพูดด้วยจิตเมตตาหนึ่ง วาจาที่ประกอบด้วยองค์ห้านี้จึงจะจัดเป็นสุภาพิตวาจาถึงจะดีมีประโยชน์แต่ถ้าผู้พูดไม่รู้จักการอันควรและไม่ควรนึกจะพูดก็พูดเช่นนี้อาจทำให้เสียผลต่อผู้รู้จักผลในการอันควรจึงจะสาเร็จประโยชน์ได้แต่ถึงบุคคลจะรู้จักพูดในการอันควรถ้าวาจานั้นเป็นเท็จก็ไม่จัดเป็นวาจาที่ชอบ ถ้าวาจานั้นเป็นเท็จก็ไม่จัดเป็นวาจาที่ชอบเพราะถึงจะสำเร็จประโยชน์ก็เป็นทางล่อลวงต่อเป็นคำสัตย์คำจริงแล้วจึงจัดว่าเป็นสุภาษิต ท, ที่ควรไว้วางใจของคนทั้งหลายถึงบุคคลผู้รู้จักกล่าวถูกการและเป็นคำสัตย์จริงแต่กล่าวด้วยคำหยาบก็คงไม่มีผู้ที่ปรารถนาฟังต่อกล่าววาจาอ่อนหวานนั้น จึงจะเป็นเครื่องดูดดื่มน้ำใจคนคำพูดถึงจะถูกการทั้งจริงและทั้งอ่อนหวานแต่ว่าไม่เป็นประโยชน์ก็เสียเวลาเปล่าต่อประกอบด้วยประโยชน์จึงจะจัดเป็นวาจาที่ชอบวาจาถึงประกอบได้องค์อันเป็นคุณดังกล่าวแล้วแต่ถ้าผู้พูดปราศจากจิตเมตตาประกอบไปด้วยอคติก็จัดเป็นวาจาไม่บริสุทธิ์ องอันสำคัญอีกประการหนึ่งที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงไว้ก็คือคำอันเป็นธรรมเพราะถึงประกอบด้วยองค์ดังกล่าวแล้วแต่ถ้านอกไปจากทำนองครองธรรมก็ใช้ไม่ได้ส่วนคำพูดอย่างอื่นถึงจะเป็นวาจาอันน่าฟังจูงใจผู้อา่านผู้ฟังให้ขบขันตื่นเต้นหรือเศร้าโศกสลดตามองสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงค้านว่าไม่เป็นสุภาสิตรเพราะไม่นำประโยชน์มาให้แก่ตนและผู้อื่นในทางอันเป็นธรรมต่อประกอบไปด้วยองค์อันเป็นคุณดังกล่าวแล้วจึงทรงอนุโมทนาว่าจะอันเป็นสุภาสิร์นี้เมื่อมีอยู่ในบุคคลใดก็เป็นเหตุนำความเจริญมาให้แก่บุคคล น, นั้นเมื่อผู้ถูกการก็เป็นอันแสดงว่า ผู้พูดเป็นกาลันยูคือผู้รู้จักการเมื่อพูดจริงก็เป็นอันแสดงว่าผู้พูดเป็นผู้มั่นคงในคําสัตว์เมื่อพูดอ่อนหวานก็เป็นอันแสดงว่าผู้พูดเป็นสุภาพชนเมื่อผู้พูดประกอบด้วยประโยชน์ผู้พูดและผู้ฟังก็ไม่ไร้ผลเมื่อกล่าวด้วยเมตตาจิตก็เป็นอันแสดงถึงเจตนาของผู้พูดด้วยเหตุนั้น พระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่าวาจาเป็นสุภาษิตจัดเป็นมงคลอันอุดมประการหนึ่งวาจาสุภาษิตย่อมมีผลแก่ผู้ปฏิบัติเหมือนดังดอกไม้งามที่มีทั้งสีสวยและกลิ่นอันหอม